ทุกเวลาทุกครั้งมาก็มาทำบุญกันไม่ใช่มาเล่นอาจจะมาเห็นประโยชน์นี้ที ว, ว่ามาทำบุญกันมาเอาบุญกันมาบุญกันเป็นผู้ที่รู้จักบุญมาเอาบุญมันถึงได้บุญวันนี้ก็พักกันได้บุญแล้วตั้งใจมาคารพบครวะพระเจ้าประสงค์ในป่าเป็นเหตุก่อ คุณคมภูน่วยการสักเป็นประธานมาทุกครั้งเพื่อจะมาสมทบสร้างพระบูบสตในวัดน้องประภงซึ่งเป็นพระอุโบูถตที่แปลกเขาแปลว่ามันไม่สวยไม่งามหรอกแต่ว่ามันแปลกเขาตัวเขาเองก็ไม่คือใครใครก็ไม่คือเขา อันนี้ก็ไม่รู้่ามันจะเกิดมาโดยวิธีอะไรก็ไม่รู้หรือมันจะเป็นเพราะเหตุการณ์อะไรต่างๆก็ไม่รู้พัดประโภคที่มีพระหมุอนอคออยู่เยอะเลยผสมประสิกันเข้ามาสร้างโบสถ์ขึ้นมันก็แปรไปอย่างอื่นนะอันนี้เป็นจุดสำคัญของพุทธศาสตร์ศาสนาเป็นมูลฐานที่จะสร้างพระขึ้นในพระอุโบสถ ทุกคนคุณบุตรคุณธิดาเราทาั้งหลายนั่นเนี่ยจะอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนานี้จะต้องอาศัยผู้โบสดรงอุโบสถที่ได้ัดเสมาอันคนไทยเราทาั้งหลายทั่วประเทศทั่วอาณาจักรไทยมีความรู้สึกว่าได้กระทาบุญ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 คือใครอยากจะสร้างกองบวชก็ปัจจัยมาจบแล้วจบอีกแล้วก็ว่าข้าพระเจ้าขอจะสร้างกองบวชตอนนี้ก็เป็นกองบวชแล้วส่วนที่จะบวชเป็นพระเป็นนาทีของพระอุปชาอาจจะมาอยากจะบวชองไรก็ได้ไม่ต้องแอไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากมายเลยง่าย ง่ายที่สุดโดยมากอาตมาบวชไม่ค่อยบอกใครด้วยสองทุ่มสามทุ่มก่อนมีมวลพระบวชกันงเงียบๆอย่างเนี้ยบวชที่มีความบริสุทธิ์ไอ้บวชมันไม่สำคัญคันสำคัญที่บวชมาแล้วดังนั้นให้เข้าใจทุกคนว่าชาวญาติโยมในพระนครหลวงมาวันนี้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 รียกว่าบาปอันนี้การกระทาบุญวันนี้เรียกว่าการกระทาบุญกันคนรู้จักบุญจึงทำบุญจึงได้บุญคนไม่รู้จักบาประบาปไม่ได้เนี่ ย, ยก็เดยความว่าพวกชาวนครหลวงนั่นเป็นผู้มีหูดีตาดีในสมัยนี้ สมัยก่อนตั้งแต่ออกปฏิบัติใหม่ๆกรรมฐานนี่อยู่ในปา่าตั้งแต่ท่านอาจารย์มั่นตินโนนามาแล้ว<อ>ไม่เคยมีใครกรรมาในปา่าไม่รู้จักอยู่ในปา่า<อ>ถึงบัดนี้พวกชาวนครหลวงเราเข้าป่ากัน เ, เข้าป่ากันป่าเนี่ยป่าเนี่ยมันเป็นเหตุอันหนึ่ง เช่นญาติโยมมาวัดป่าพงวันนี้เห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นได้ยินสิ่งที่ไม่เคยได้ยินแปลกหแปลกตาเห็นไม้ใบไมนะ้น่ยมันเรียราชอยู่ในวัดตานเห็นไหมในกรุงเทพมีหรือเปล่าผมไม่รู้นะเรามาเดินในปา่ดดาจิตเจมันก็แปลก พออยู่ในป่าเห็นสภาพต่างๆมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไ ป, ป, น, ไปนั้ น, นจิตเ้าก็เปลี่ยนไปด้วยสถานที่ในป่านี้เป็นสถานที่พระพุทธเจ้าของเรานั้นอุบัติเกิดขึ้นมาแลกัดรู้ก็นในป่าสแสดงธรรมจักเป็นไปก็ในป่านิพพานก็ในป่าป่านีเ้เป็นสถานที่อัน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 บุญเกิดจากศรัทธาบุญเกิดจากศรัทธากุศลเกิดจากความฉลาดคือปัญญาเรียบกว่าบุญกุศลทั้งเราหาความฉลาดทั้งเรามีบุญนนคนไม่รู้จากบุญทำบุญก็พบแต่บาปคนไม่รู้จากบาป ก็เห็นบาปนั่นเป็นบุญคนไม่รู้จักผิดก็เห็นผิดนั่นเป็นถูกมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นทุกๆคนจะทำบุญถึงบุญเกี้ยๆนั่นน้อยเยอะเกนินเอาไปทิ้องอย่างอื่นเสียมากทิ่งที่เป็นบุญนันนิดเดียวเออก็ไม่รู้จักด้วยแต่เอาชื่อวอบุญนั่นไปน ไม่ก็ปว่าเป็นบุญอันนี้มันก็ลำบากอยู่เหมือนกันเนี่ยเราเป็นพุทธบริษัททั้งคริอั่ายเบรนราชิตเป็นผู้มีศรัทธาน้อมความเชื่อความเข้าใจในพุทธศาสนาอันนี้จงเป็นผู้ฉลาดในการกระทํา เมื่อเป็นคนฉลาดรู้จักผิดจากถูกนี่แหละมันมีความสงบอย่างกว้างขวางเลยทีเดียวบุญคือความสุขกุศลคือความฉลาดถ้าเราทุกๆคนจะประกอบกจิตการงานอันไดก็าตามถ้าปราศจากปัญญาแล้วการงา น, นนั้นไม่สำเร็จประโยชน์ ยังสำเร็จก็ไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ก็ปราศจากปัญญาการกระทำบุญนี้กุมันปันฉันนั้นเป็นผู้มีศรัทธาแล้วศรัทธานั้นต้องประกอบด้วยปัญญาถ้าศรัทธาไม่ประกอบด้วยปัญญาแล้วก็เป็นศรัทธาอธิเมฆเป็นศรัทธาที่ปราศจากปัญญาเป็นศรัทธาที่ไม่อยู่ในขอบเขตของพุทธศาสนา โดยมากเป็นอย่างนั้นเมื่อปัญญาเปิดเป็นบุญบุญเป็นเหตุในเกิดกุศลมีความเฉลาดในการกระทารับรองในการพูดในการกระทาในการคิดของเจ้าของให้รู้จักหลังนั้นวันนี้เป็นวันที่พวกญาติโยมทั้งหลายชาวพระรตอนมาทำบุญกันมุ่งมาทำบุญกัน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 กรรมเก่าที่เราสร้างไว้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เพราะมานี้มันเป็นวิบากคือกรรมเก่าเช่นพวกเราทุกๆคนนั้นนะเราจะเห็นกันง่ายๆทําไมไม่เหมือนกันทําไมไ ม, มีความสุขทุกข์ไปเหมือนกันเพราะอะไรนี่เราจะสังเกตได้ไง่ายๆแล้วก็มีคนเป็นคนเหมือนกันมีตาเหมือนกันมีหูเหมือนกัน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 ท่านเคยกล่าวว่าเ อ, อ่อสวรรค์อยู่ในอกนรกในใจนี้ถ้าฟังเป็นๆเราก็ไม่รู้เรื่องถ้าหากว่าเรามาพิจารณาให้เห็นตามเป็นจริงแล้วว่าญาติโยนเราทุกคนเคยมีความสุขไหมเราเคยมีความทุกข์ไหม เคยมีทุกข์คนอาตจมาตอบก่อนเลยว่าเคยทุกเคยสุขมาแล้วมันสุขอยู่ที่ตรงไหนเห็นที่มันอยู่มะใครเป็นคนสุขเราเคยมีความทุกข์ไหมในมันทุกอยู่ที่ไหนใครเป็นคนทุกนะสองอย่างนี้เกิดที่ไหนมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ต้นไม้เดอยร์อยู่ที่ยอดไม้อยู่ที่อากาศเด้อ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 ถ้าไม่มีความฉลาดแล้วมันก็ไปยึดเอาของผิดๆแต น, นมาให้เป็นถูกเลยขอเป็นโทษถือว่าเขาสนุกสุขสบายอย่างนี้เป็นโทษออันนี้เรียก ว, ว่ามันมีความสุขสุขจริงแต่ไม่ถูกต้องามหลักพุทธศาสนาตามธรรมะคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าของเราสุขพระมันพราวใจเรา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 เราจะเห็นตัวบุญเราจะเห็นตัวบาปอยู่ที่ใจของเราถ้ามันเกิดทีนั้นมีิถุนันพระพุทธเจ้าจะยังไงฝึกจิตฝึกจิตที่มันหลงนี่ไห้มันรู้จักเออไอ้ทุกวันนี่นะมาคนนะไม่รู้จักนรกมันตกนรกหมกไหมอยู่ประทังวันกระทังคืนคือความทุกข์นั่นก็ไม่รู้เรื่องว่ามันตกนรก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 เมื่อพูดถึงนรกเราก็ชี้ลงไปพื้นปฐพีนู่นเลยเมื่อพูดไปถึงสวรรค์ชี้ขึ้นบนอากาศนู่นเลยไม่รู้จักว่าใจของเรามันเป็นสุขไม่รู้จักว่าใจเรามันเป็นทุกข์ตราที่ท่านกล่าวว่าท่นมีปัญญามากทีเดียวว่าสบันในกบนรกในใจนี้พวกเราทั้งหลายนั้นน่ะอืมควรมาแต่งใจ แตงใจของเราเนี่ยรักษาจิตของเราเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันเหมือนเด็กเด็กเด็กน้อยไม่รู้เรื่องไม่รู้ภาษาอะไรจะปล่อยไปเล่นมันไปพบไฟมันก็จะฟุ้งไฟไปพบอะไรมันก็จะฟุนั้นแหละอย่างนั้นก็มันนกันจิตที่ไม่ได้ฝึกก็เป็นอย่างนั้นจิตที่ไม่ได้ฝึ้นก็เป็นอย่างนั้นเหมือนเด็กที่ไม่รู้เรียนสาร ในรู้เรื่องอะไรไปพุกน้ำากดตะพุกพน้ำไปพุกไฟก็จตะพุกพไฟนี่เมื่อก็เกิดโทษอยู่เรื่อยไม่มีิเรคาดเลยทีเดียวจิตอันนั้นจิตไม่ได้ฝึกจะเอาใครมาฝึกมันแล้วเหมือนเด็กใ น, น, นกบ้านเราเหมือนกระรูปเราน่ะเด็กจะจะเอาใครมารักษามาแล้วแล้วก็ต่อถามว่าเด็กนันมันโกิดมาจากไหนรูปของใคร ถามมันไปว่าลูกใครลูกใครพ่อแม่มันอยู่ที่ไหนก็พ่อแม่มันเด็ต่อตามดูลูกพ่อแม่ก็ต้องรักษาลูกใครเป็นพ่อใครเป็นแม่ก็ต้องรักษาเด็กคกนนี้อันนี้ก็มอนกันฉันนั้นพ่อแม่นั่นคือผู้รู้ทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าพิสูจนทั้งหลายท่านทั้งหลาย จงมาตามรักษาจิตของตนผู้ไราตามรักษาจิตของตนผู้นั้นจะพ้นจากบวงของมานนั่ใครตามรักษาจิตก็ให้เรารู้จักผู้รู้ทั้งหลายจิตของเรานี่ตั้งยังไงภาวนาพุทโธพุทโธนีเป็นต้นเพ่อเรียกจิตเราเขมาให้ดูลมหายใจให้เป็นอารมณ์อันเดียว เมื่อเรามีสติจดจอ่อในที่อันเดียวเราก็เห็นจิตเราเสมอ ถ, ถ้าเราไม่ลืมพุโทโธมันก็เหตนจิตเราตลอดการตลอดเวลานี่แต่วิธีฝึกจิตฉะนั้นจิตที่ไม่ฝึกนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้วก็ยังไม่เป็นคนอืมถึงเป็นคนก็เป็นคนที่ไม่รู้เป็นคนที่ไม่สมบูรณ์ ถึงเป็นพุทธบริษัทแสดงตัวเป็นพุทธบริษัทก็ยังไม่เป็นพุทธบริษัทที่สมบูรณ์ฉะนั้นเรื่องที่สุดนั้นพระพุทธเจ้าของเราต้องจะให้ฝึ ก, กจิตจิตอันนี้มันอยู่ที่ไหนนี่จิตนี้มันคืออะไรจิตนี้มันคืออะไรเจะว่ามันไม่มีหรือมันก็มีอยู่แต่เราไม่เห็นด้วยตาของเรามันมีความรู้สึกนึกคิดอยู่ตลอดการตลอดเวลานี้ นี้เป็นของมีอยู่แล้วมันเป็นเรื่องของมันอยู่อย่างนี้ฉะนั้นเราทุกคนมีกา ย, ยกาาแล้วก็มีวาจาเราก็มีใจพร้อมทั้งสามประการนี้แม้จะเดินไปที่ไหนก็ตามกันไปจะนั่งอยู่ที่ไหนก็ไปด้วยกันทั้งนั้นนะ่ะนั่งด้วยกันนอนด้วยกันไปด้วยกันทั้งนั้นนะ่ะสามประการนี้กายวาจาจิตนี้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 ตัวเวแล้วก็ไม่มีอะไรมีกายมีวาจาใจสามสถานนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติเป็นสถานที่ฝึกจิตก่องเจ้าะให้รู้ให้เห็นตามเป็นจริงถ้ามีความรู้ตามเป็นจริงโดยกายวาจาจิตของเรานี่แล้วไอ้ความตัางทานอารมณ์ต่างๆซึ่งมันเกิดขึ้นมาภายในจิตก็กดี จอนมาก็ดีเราก็รู้เรื่องของอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นตามเป็จริงโดยมากคนเราไม่ค่อยดูตัวของตัวไม่เคยดูตัวของตัวไม่ค่อยสังวรไม่ค่อยสังรวมกายวาจาใจของเจ้าของนี้การประพฤติปฏิบัตินี้มันจึงเป็นหมันมันจึงเกิดขึ้นไมได้มันจึงไม่เป็นคนโดยสมบูรณ์ เพราะมันมีการบกกร้องคุณสมบัติของมนุษย์ทั้งหลายนั้นก็อยู่ที่กายมาจาจิตของเจ้าของมีิงที่พวกเราทั้งหลายนั้นได้สมทานทานใบๆซึ่งศินห้าประการหรือสินแปดประการ น, นี้และผลที่สุดท่านก็บอกอันิี้ส่งให้ว่าสีเรนะสุขติงจันติสีเรนะภูกระตะปะ สีเรณ์นี่ผู้ติงัญญติดตัตมาสีรำมิโสที่เยทุกครั้งเมื่อสมทานศินจะบอกเลยบอกอนดีตสมของสินเรื่อยๆสินนั้นและมีความสุขสินนั้นคือมันพ้นจากความผิดไม่พูดผิดไม่ทําผิดคนไม่มีความผิดมันก็เย็นใจเย็นกายเย็นใจจะนั่งก็เป็นสุขจะนอนก็เป็นสุขจะไปที่ไหนมันก็เป็นสุข ท่านยังเรียกว่าสีเดนาสุขกติงยันติมันเป็นสุขเพราะจิตนี้มันปราศจากโทษจิตไม่มีโทษไม่เดือดร้อนมันก็เป็นสุขสีเรนโรระโพคัจปทาบุคคลผู้มีศีลเป็นโพคะโภคะภายนอกก็คือสิ่งทั้งหลายตั้งพวงที่หามาเดียกชี้ เป็นสมาชีวะสมาชีวะหามาในทางสมาชีวะนี่แม้ถึงน้อยมันก็มากมันมากเพราะว่ามันมีคุณค่ามันเป็นสมาชีวะท่านจึงจัดเป็นโพคสคัมปทาถึงพร้อมในโพคะ อ, อย่างเพชรนินกินดาของเรานั้นเนียก้อนนิดเดียวก็มีราคามาก เพราะมันปราศจากสิ่งที่ไม่มีราคาไอ้จริงทันหลายเจริญนามาเรียงชีวิตของเรานั้นมันปราศจากสิ่งที่เป็นโทษแล้วมันก็เป็นราคาเป็นโภควาแม้โควาภายในมันก็ยังเป็นสมบัติด้วยอยากผูสมบัติโชติสมบัติคานสมบัติชิวหาสมบัติ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 เมื่อเรามีความสุขเมื่อเรามีโภคะความเยือกเย็นก็เกิดขึ้นมาในทีนั้นเราจะพุดปฏิบัติธรรมะจะไปพระนิพพานมันค็เป็นรลกฐานที่มั่นคงเป็นราักฐานที่ดีอันนี้เป็นอานิสงส์เป็นสมบัติเป็นคุณสมบัติของมนุษย์พูดง่ายๆได้ว่า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 มิจินัสิ่งทั้งสามอย่างนี้มันจึงเป็นนิสส์ของผู้ที่รักษาศีลผู้ที่พร้อมด้วยกายแล้วกอดีพร้อมด้วยวาจาก็ดีพร้อมด้วยใจก็ดีเตรียมตัวได้แล้วจะไปพันิพานก็ได้มีโอกาสแล้วหูและยินแล้วตาเห็นได้จะมูกก็ใช้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วจะไปได้ดังนั้นพวกเราเราท่านทั้งหลายในวันนี้ ก็เป็นผู้มาประพฤติปฏิบัติสร้างกุศลผลนทานอันนี้เพื่อให้สมบูรณ์ที่จําเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์สมบัติมนุษย์สมบัติสมบัติของมนุษย์ใจก็เป็นสมบัติของมนุษย์ากา ย, ก, ยก็เป็นสมบัติของมนุษย์ตาหูจมูกลิ้นก็เป็นสมบัติของมนุษย์พร้อมกันไม่ใช่ว่ากายเป็นสมบัติเหมือนมนุษย์ใจเป็นอย่างหนึ่ง กลายเป็นอย่างหนึ่งไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นมันไม่สามะกีกันไม่สมบูรณ์จะเป็นมนุษย์ได้ฉะนั้นการประพฤติปฏิบัตินี้มันจึงเนื่องอยู่ในจิตของเจ้าของนี้ทั้งหมดนั่นเองเนี่ยเป็นต้นอย่างวันนี้ได้กระทำบุญครบให้ทานเป็นทานมามัยก็มีศีนมามัยก็มีภาวนาไม่ก็มีทั้งสามประการนี้เพราะ แคนั้นในส่วนกายส่วนวาจาในตัวของเรานี้ของดีมีอยู่ในนี้อย่าไปมองที่อื่นเดยอยู่ในที่นี้เองที่กายกับจิตของเรานี้ฉะนั้นหลักการประพฤติธปฏิบัตินี้ท่านยังไงมีการปฏิบัติทําไมต้องปฏิบัติก็เพราะว่าเราเกิดมานั้นน่ะไม่มีอะไรมามากเห็นไหมเกิดมาไม่เคยมีอะไรมา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 ของในโลกอันเนี้ยเราจะเก็บไปสู่โลกหน้าด้วยมือของเราไม่ได้เราะนั้นเด็กๆมาเกิดมันถึงไม่ได้ถืออะไรมาแียว่ามันรวมไว้มันรวมไว้ที่อื่นมันรวมไว้ที่จิตจะยกตัวอย่างให้เห็นว่าอ่าเ ม, ม็ดมะม่วงเมล็ดตำใหญ่นะนี่เป็นตดถ้าไม่เป็นมเมล็ดอยู่นะ เราจะพิญารดูหาต้นมันไม่มีดอกมันก็ไม่มีเมลิดมะม่วงมันก็เป็นสิ่งที่ละเอียดอันหนึ่งเท่านั้นแหละอยู่ในนั้นเนี่ยอันนี้คือมันการแฉนใดถึงแม้ว่าบุคคลไม่ได้ถืออะไรมาก็ตามไม่ได้แบกหามอะไรมาก็ตามเมื่อธรรมธาตุมันแก่กล้าขึ้นมาแล้วน่ะเออมันเป็นมันเป็นของมัน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 อันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นฉะนั้นพระพุทธองค์จึงสอนว่าการกระทำกรรมนี้แหละกรรมนี้เป็นผู้แจกหรือเป็นผู้แบ่งให้ดีชั่วต่างๆกันไม่มีอะไรแล้วคือการกระทำของเรานี้มีฉะนั้นเห็นเลือกสิ่งทั้งหลายเรานี้เป็นของเปลี่ยนไม่คงเส้นคงวาไปรเรียวไป ร, รา้าวแล้วเราจากมันไปถ้าเราไม่จากมันไปมันก็จากเราไป เป็นของไม่แน่นอนเป็นของไม่ยั่งยืนนี่ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ให้ลงเมื่อจนก็อย่าลืมจนเมื่อรวยก็อย่าลืมรวยทางรวยทางจนนี่แหละเราจะหนีจากมันทางนั้นแหละหาไปมากเราก็ทิ้งไปมากหาไปน้อยเราก็ทิ้งไปน้อยดังนั้นเราจึงเก็บเอาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มาสร้างประโยชน์ให้อยู่ในเจตนาของเจ้าของ ในดวงวิญญาณของเรานี่เมื่อติดในดวงวิญญาณของเรานี้ถึงแม้ว่ามันจะเพลยกายมาเกิดก็ตามทีมันเดิดมันก็ยังมีเหตุมันยังมีปันนจจัยอยู่นะนะมันมีอยู่อันนี้จะเรียกว่าก ร, รมบิบากมันยังมีอยู่ฉะนั้นการกระทําบุญการกระทํำกุศลของเรานี้เราจะมองเห็นบุญได้ง่ายๆเห็นกุศลได้ง่ายๆทําทชั่วเห็นบาปได้ง่ายๆ ทำบุญในบุญทำมาบในมาบบางคนอ่ะทำบุญเนเงินมาถึงไม่บุญไม่ได้เงินไม่ได้บุญนอกอย่างนี้เป็นต้นไอ้ความตีกิงการทำบุญมันเจตนาที่ทำเมื่อไรเมื่อนึกขึ้นมามันดีแล้วมันเป็นบุญแล้วต้นก็เป็นบุญเมื่อการกระทำอยู่ก็เป็นบุญทำเสร็จแล้วมันก็เป็นบุญนี้ฉะนั้นพวกญาติโยมเราทั้งหลายวันนี้ให้จงเป็นผู้รู้จัดบุญ จงเป็นผู้รู้จักบาปทําบาปก็ให้รู้จักว่าเป็นบาปทําบุญก็รู้จักว่าบุญอันนั้นคือมีอกุศลมีกุศลแล้วจริงฉลาดเค่นนั้นกุศโลผู้ฉลาดไอความฉลาดนั่นเองเป็นต้นจะทจํากิจการอะไรเป็นต้นก็เรียบร้อยเพราะความฉลาดฉะนั้นจึงเป็นการกระทําบุญเพราะเรื่องทั้งหลายเหล่านี้นะ่ะพระพุทธเจ้าเห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยง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 เมื่อจะเป็นเมื่อไรมันก็เป็นได้หูเราดีอยู่นี่มันจะหัวเมื่อไรก็ได้ตาเราดีอยู่มันจะบอดเมื่อไรก็ได้อาวัยวะร่างกายเราแข็งแรงอยู่มันจะเกิดโรคเกิดภัยไข้เจ็บมาเมื่ออะไรก็ได้มิฉะนั้นไม่น่าไว้ใจมันเลยพวกเราอืมใครมีอะไรก็สร้างจะสร้างคุณงามความดีสร้างแต่เมื่อมีชีวิตอยู่นี้แหละมันดีมากที่สุดเลยเดียมบางคนก็คิดว่าตายสร้างบุญตายจึงทําบุญกัน ให้ลูกหลานทําบุญสร้งเมื่อตายเป็นตน้นเมื่อมีชีวิตอยู่นี่ไม่รู้จักบุญหนึ่งไม่รู้จักกุศลไม่รู้จักผิดไม่รู้จักถูกคนไม่รู้จักบุญมันจะอาบุญได้ยังไงคนไม่รู้จักบาปนั้นจะละบาปเป็นไงได้เช่นนี้เป็นตน้นคนรู้จักบุญเอาบุญได้คนรู้จักบาปละบาปไปได้อันนี้เรียกว่ากุศลธรรมเกิดขึ้นมาแล้วเกิดความฉลาดขึ้นแล้ว แดฉะนั้นบรรดาพวกญ า, าติโยงเราทั้งหลายมาวันนี้ก็จงเป็นผู้ตั้ง อ, อกตั้งใจได้กระทําบุญเดียวในวันนี้ให้เป็นผู้มีบุญเดินไปก็ให้เป็นผู้มีบุญนั่งอยู่ก็ให้เป็นผู้มีบุญนอนอยู่ก็ให้เป็นผู้มีบุญเพื่อให้มีความสุขกายสบายใจให้รู้ตามความเป็นจริงของมันเสีย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 ซึ่งเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีปัญญามากระทำการโศสนณวันนี้จงเป็นผู้มีวาสนาบารมีมในการกระทำของพวกท่านทั้งหลายด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจด้วยอำนาจของการกระทำนี้ด้วยอำนาจ ของคุณภษีรัตนไตรยัยซึ่งอุตส่าห์พยายามมาถึงวัดต้องประโภคนี่ยเดี๋ยววาระสิ้นสุดก็เลยฟังคำตอนนี้ไปก็เลยจากวัดประโงคไปขอคุณคุสน์อันนี้บารมีอันนี้จึงคุ้มครองของท่านต่างหลายทุกๆ ท, ท่านจงเป็นผู้ไม่มีภัยไม่มีอันตรายในการเดินทางกลับไปกลับมา ด้วยอานาจของคุณภาษีรัตนใยนี้จนปลกปักรักษาพวกท่านทั้งหลายนี้จงมีความสุขจงมีความสบายจงเป็นผู้มีความรุ่งเรืองมาวรในกิจการของพวกท่านทั้งหลายทุกๆท่านตื่น